วันนี้เป็นวันที่ห้าตุลาคมพุทธศักราชสอง5ห้าอห้าสิบห้าวันนี้เป็นวันประชุมเป็นกรณีพิเศษที่ผ่านๆมาเราประชุมกันทุกวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำมีการประชุมในระหว่างแปดค่ำสิบห้าค่ำเป็นกรณีพิเศษอย่างวันนี้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 ครูบาอาจารย์อย่างไงที่พวกเราให้ความเคารพนับถือเรื่มใสถึงจะเป็นพระน้อยพรนุ่มพระในวัดของท่านก็เถอะแต่ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะเป็นพระที่น่าเคาพรพนับถือเรื่มใสพวกท่านทั้งหลายอยู่ในใจของพวกท่านเพราะฉะนั้นพวกท่านเข้ามาบวชแล้วพวกท่านจะเป็นผู้ทําตัวเลอะเทอะเอะไม่อยู่ในกฎไม่อยู่ในระเบียบอย่างนั้นมันถูกต้องไหม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 ถ้ไม่สัมพวมจะเป็นยังไงองค์ที่หูเนี่ยเอา้าถ้าหูได้ยินเสียงเข้ามาแล้วเฉ่งติชิ้นเดินทาเสียงยก จ, งจังสรรเสริญทําใจให้ตัวยังไม่ให้ฟูแล้วอจะเป็นยังไงสรุปแล้วก็คือต่างอง์ก็ต่า ง, ง, าางว่าการสัมรวมหรือว่าสัมรวมตาหูจมกูกแต่ละท่านเป็นของทําได้ยากมากแต่องค์ไหนที่จะถูก ในการสํารวมแต่ละอย่างนี้พระสงฆ์ทั้งหลายเข้าไปกาปราบพรพุทธเจา้าขอให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้วินิจฉัยว่าการสํารวมตัวไหนที่ถูกต้องที่สุดให้เข้าไปกราบพระพุทธองค์ตั้งที่พระพุทธองค์ท่านจะตรัสออกมาเป็นเป็นอันๆไปพระพุทธองค์กลับพูดว่าการสัรวมกาย การจับวงตาหูจมูกเลี้ยงกายเป็นการสับรวมได้ยากพวกท่านทั้งหลายในอดีตชาติเราบอกแล้วให้จับรวมทวารทั้งหกพวกท่านขาดการจับรวมในชาติท่านพวกท่านเป็นเป็นอาหารของยักษกินีในในชาตินั้นอันนพระสงฆ์ ทั้งหลายก็กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยนั้นเป็นสมัยไหนพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตรัสว่าเราเป็นลูกชายของพระเจ้ากรุงพระนศีพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าท้พระเจดพุทธเจ้ามาฉันในเวียงวังทุกวันแต่เราก็ถามทพระเจดพุทธเจ้าว่าแต่เราเป็นผู้ปนนิบัต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 เพาตามลายทางมีรากสดแล้วก็ยักกินีแปลงจำแงแปลงกายเสร็จสวยงดงามเหมือนกัะนางฟ้าเธอต้องดูให้ดีถ้าถ้าว่าเธอไม่สำรวมแล้วนั่นแหละเธอจะเป็นอาหารของรากสนนรักยักกินีแน่นอนถ้าเธอมีความมั่นใจไปได้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 ท้าไม่เข้มแข็งพอพวกท่านจะเป็นอาหารของยักษกินีและเป็นอาหารของราษสดพระพระเจ้พุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นพอนั้นเราคิดว่าเราเข้มแข็งพอพะนั้นพวกท่านทานั้งหลายอยาไปกับข้าเถอะข้าจะไปคนเดียวผลที่สุดพวกทหารนายทหารทั้งห้าคนก็เอาทหารติดตัวไม่เป็นไรพวกกับผมจะรักษาสัจจะให้ดีที่สุด จะนักออกเดินทางเอาสุดท้ายทุกท่านทั้งหลายมีสัจจะอย่างนั้นก็ไม่ว่ากันเอาไปได้พวกท่านก็เดินทางพอเดินตามไปก็เห็นในลายทางเห็นพวกเขาขายอาหารขายน้ําเขาก็เชิญชวนดื่มน้ำํำพระโพธิสัตว์มองเหลือบไม่มองเลยมีแต่ก้มหน้าดุมดุมดุ ม, ด ม, ดม คือเดินไปสู่จุดหมายปลายทางของตนเองจุดหมายปลายทางของเรานี่ยคืออะไรคือเมืองตะกัศิลาแต่พวกทหารทั้งหลายเนี่ยทั้งเดินด้วยมองหลังด้วยโอ้โหทาไมอมสาวสวยขนาดนี้แต่ทินทาคือลากสดกันยักกินีแหละเขาจําแรงแปลงตัวเพื่อจะหลอกกินมนุษย์คนที่เจอก็เดินไปอีก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 กุมานไปก่อนเถอะให้พระ อ, องค์ท่านไปก่อนพวกเราดื่มน้ำล้วจะรีบไปพลในสุดก็ละล้ำละรักพอติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสพลในสุดกันพอโพลิสัตย์กันะกเดินห่งไปตามลำพังแต่พวกบริวารนี่ก็เป็นอาหารของร่างสดต่ลักยักษินีทั้งหมด เพราะว่าขาดการส้ำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจมีจากพระโพธิษัตว์ไปถึงจุดหมายปลายทางจากนั้นก็ขึ้นไปนอนแท่นศีลาอาดเขาก็าแห่ราชรถมาท่านก็ได้ขึ้นไปเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเมืองตกะกัศลาเมื่อท่านได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วท่านก็มองดูอืมที่เราได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในครั้งนี้ เพราะพระพุทธเจดผู้เทธเจ้าให้คําแนะนํำพยากรณ์เราเราฟังบัณฑิตนักปลดัดปลาดทั้งหลายบัณฑิตคือพระพุทเจดพุ้เทยเจ้ า, ท, าที่ท่านบอกกล่าวเราจึงถึงจุดหมายปลายทางแต่บริวารของเรามีทหารมหาดเล็กของเราเป็นอาหารของรากสด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 เพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายทั้งห้าองค์พวกท่านทั้งหลายทั้งห้ารูปสำรวมกายสำรวมตาหูจมกูกเรียนกายใจทุกคนถูกทั้งหมดแต่ให้สำรวมทั้งหมดทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจของตัวเองนั่นแหละจะเป็นผู้พ้นทุกในวัฏฏสงสารถึงแดนพระนิพพานได้นี่แหละอันนี้คือทำคําสอนของพระพุทธเจา้าท่านเราพวกเรามาเปรียบเทียบ กับการประพฤติปฏิบัติของพวกเราให้พวกเราท่านทั้งหลายสัมรวมตาสัมรวมหูสัมรวมจมูกลิ้นกายและกระใจของตอนเองพวกเราจะถึงจุดหมายปลายทางแต่ว่าพวกท่านทั้งหลายไม่สัมรวมปล่อยๆเล อ, เล อ, เล อ, เลอะๆเทอะๆแต่และวี่แต่และวันแต่และเวลาแล้วพวกเรามีแต่กิเลส ราคะโทสะโมหะโลภโกรดหลงเข้ามาเหยียบย่ำทำลายทางตาหทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราพวกเราอย่างหวังอย่างหวังเลยความสงบความสุขทุตสมาธิจะเกิดขึ้นกับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านในเมื่อเราเข้ามาถึงจุดนี้แล้ว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 คำว่าหนักนั่นคืออะไรก็คือรู้จักการเน้นในสูงจุดที่ควรจะเน้นแล้วก็คำว่าเบาคำนี้แนะ่ะมันง่ายนิดเดียวถ้าขี้เกียจเข้ามาเมื่อไหร่ขึ้นมาท่านละมันจะต้องเบาทัานทีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะการาทำความภาคเพียนต้องมีหนักมักก็คืออะไรอดนอนผอนอาหารอดนอน แล้วนั่งภาวนาบังคับตัวเองนั่งกี่ชั่วโมงเดินจงกลมกี่ชั่วโมงไม่ใช่ว่าอดอาหารอดให้หิวแล้ก็นอนปล่อยจิตปล่อยใจถึงจะอดนานเท่าไหร่กี่วันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าการอดก็ดีการทำความภาคเปลี่ยนก็ดีท่านให้ดูใจใหเห็นหมาจำลมใจ ถ้าว่าเราปล่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายกิเลส จ, จักรกินีรากสดเอาไปกินหมดเราจะเหลืออะไรแต่ถ้าว่าเรามีความมุ่งมัน่นมีความตั้งใจมีความใส่ใจสำมรวมกายวาจาของเราสำมรวมใจของเราคุณง่าย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 หือพิจารณาถึงอสุภะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นถ้าหาว่าพวกเราดูที่นในอสุภะนั้นถ้าเราเป็นอย่างนั้นอีกสักวันหนึ่งเราจะเป็นอย่างนั้นไหมเราทับประกันได้ไหมเราะว่าเราจะไม่เป็นอย่างนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือเราน้อมตัวของเราให้เป็นอสุภะอย่างนั้น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 เป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพวกเราสมาธิจะกําหนดตัวไหนกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหรือกําหนดตัวไหนขาขวาพดทธขาท้ายโถดเจดังกลมหรือเอาสติจับอยู่ในกายของเราหรือจะพิจารณาร่างกายของเราที่มันหยุดนิ่งอยู่เนี่ยกําหนดดูหรือดูหัวใจที่มันเต้นตุบตุบตุบดู การที่หัวใจเต้นหรือว่าการสูบสีของเลือดในร่างกายให้มีสติหยุดจุดไหนอย่างไรจสรุว่าก็คือให้สติอยู่กับกายในเห็นกายเห็นเรียบร้อยแล้วก็พิจารณาแยกแยะกายหรือกำหนดกายให้อยู่ให้อยู่กับกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งตัวลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรหรือจะไม่บริกรรมหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออก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 นี้เอามาพิจารณาขี้ขายเลยใจของเราจะเป็นเอมันจะนิ่งเนะมันจะเห็นตามความเป็นจริงเพราะมันผ่านความสงบมาแล้วแต่ถ้าว่าพวกเราจิตใจของเราไม่ได้ผ่านความสงบอมันก็ดูก็ดูไปอย่างนั้น่ดูเลื่อนๆลๆื่อลยลอยเพอเผอจะเป็นของสวยงามเพอเผอจยจะเอาไปทําเอาไปทําเป็นอาหารไอกต่างคาก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 เขามาเพื่อฝึกหัดดัดนิดสัยเพื่อขัดกล่าวกิเลสเพื่อสำรวมกายวาจาเพื่อสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายในเมื่อพวกเราสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายอย่างที่ผมได้พูดเบื้องต้ น, ตนจากนั้นท่านพวกเราท่านทั้งหลายก็พยายามเร่งความภาคเพียนมีหนักมีเบาอย่างที่ผมได้พูดครุกเวลาไหนควรจะหนักเวลาไหนควรจะเบา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 หากดท้าเกตไม่ได้ปอนเนสุก็เลยเละตุ่มเปะอีกอย่างเก่าไม่มีกฎเกณฑ์คำว่าหนักนันคืออะไรไม่มีเอทถึงจะหนักก็หนักกดอาหารเท่านเองแต่ตัวปล่อยอารมณ์ปล่อยจิตปล่อยใจนั้นเละตุ่มเปะยิ่งกว่าอดอาหารไปเพื่ออะไรมันได้อะไรอยากจะให้เขายกโย่องมาเราอดอาหารอย่างนั้นใช่ไหมแต่ว่าการทางด้านจิตใจของเรานี่ยแย่มาก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 ในเะในยัคณะที่เข้มแข็งต้องเข้มแข็งเวลาอดนอนก็เหมือนกันเราอดนอนไปยังไงไม่ใช่ตําปัาเปัมป่มเปืลําเปลืปลออจนจิตใจไม่จูกนเนื้อกว่าตัวหลับหลับตื่นตืนพิจารณาอะไรก็ไม่ไดเรื่องได้ราวอันนั้นไม่จะเกิดประโยชน์อะไรการอด เวลาอดอาหารก็ตงเน้นต้องดู บ, งบังคับในขณะที่เราอดอาหารนี่เป็นยังไงในขณะ น, นี้นั่งรู้สิตลอดทั้งคืนดู<ม>การอดนอนการพออาหารจากนั้นก็เมื่อพิจารณาเป็นใจของเราเป็นสมาธิพอสมควรแล้พิจารณาสรุปแล้วก็คือสมาธิคือความสงบ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 พิจารณาทางด้านปัญญานี่แหละสรุปละก็คือการ ส, สมัติและวิปัชนาทําต่างกลมต่างวาระเไม่ใช่ว่าทําในที่เดียวกันเหมือนนั่งสมาธิแล้วก็อยจะพิจารณาทางปัญญาในขณะที่นั่งสมาธิไม่ใช่เหมือนกับคนนอนคนนอนจะไปกินอาหารทานอาหารได้อย่างไรในขณะที่นอนพักผ่อนเว้นเสียจะอยู่ในห้องธรรมดาการ น, นึกคิดได้ แต่คนหลับคนพักผ่อนเราจะไปทานอาหารได้ยังไงแต่ขณะที่ทํางานทําการทํางานอยู่เราจะเป็นหลับคาพวงมาไลัยได้ยังไงในขณะนั้นขณะที่ทํางานก็คือทํางานขณะที่หลับก็คือหลับนี่แหละมันแยกกันยิ่งกว่านั้นอีกสมาธิและวิปัสสนาะมันไม่คุมเครือเหมืนอนกับคนเราคนเรายังมีการคุมเครืยอย่างโงกอย่างง่วง อย่างสบงบได้แต่เรื่องสมาธิเนะี่ยมันเป็นมันชัดเจนของใครของเราสมรรถะคือสมถะวิปัสสนาคือวิปัสสนาสมรรถะคือทำจิตใจให้สงบพักผ่อนนิ่งไม่ปุงออกไปข้างนอกนิ่งอยู่กับตัวเองนี่คือสมาธิแต่ส่วนปัญญากับพิจารณาค่าควรหาหลักเหตุผลร่างกายมันเป็นอะไรบ้างตาหูจมูกเล่นกาย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 เห็นอันในจางทุกขังอานาตตาแล้วเกิดความเบื่อหน่ายคลายจิตจากนั้นจิตใจก็หลุดพ้นจากอานสวาคิเลตไม่มาเวียนไหวตายเกิดอันนั้นเป็นขั้นตอนที่พวกเราจะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นแต่พวกเราคิดตูให้ดีก็แล้วกันพวกเราเมาถึงจุดนี้พวกเราคิดตูวใชความสุขที่แท้จริงของมนุษย์นั่นคืออะไร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 ผมไม่อยากจะให้เป็นเียละผมขอร้องเป็นบางอย่างที่มาช่วยด้วยจุดนี้พวกเราก็เข้ามาช่วยแต่ผมไม่ขอครับผมไม่พูดพวกท่านก็เอาเป็นหน้าที่ของของผมเพราะผมเป็นหัวหน้าผมจะดูวความเหมาะสมไม่ไม่เหมาะสมอย่างไรในการบริหารจัดการเรื่องภายนอกหรือภายในวัด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 ไม่ให้พวกท่านทั้งหลายขาดตกบกพร่องในเรื่องปัจจัยสี่ความเป็นอยู่แต่จะให้เหลือเฟือฟุ่มเฟือยออกนอกรูนอกทางส่งเสริมจนถึงกิเลสราคาโทสะโมหะงอกเงยนั้นผมจะไม่ทำสิ่งไหนที่เป็นหลักพระธรรมวินยัยเหมาะสมนด้วยหลักพระธรรมวินยัยแต่มันขาดเหลือขาดตกนั้นบอกมา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 ไปสร้างเจดีย์หลวงปู่ฟันพอสร้างไปแล้วก่อนนั่นท่านองค์เขาบ่นทีท่านบอกไปถามมันกรมมีผู้เสน อ, อมาลากหลายทั้งสนามมวยด้วยทั้งสนามม้าด้วยทั้งลอตเตอรี่ด้วยเขาจะให้มาไหนท่านก็มากราบหลวงตาหลวงตามหาบัวว่าจ ะ, จะเขาจะมีส่วนร่วมอย่างนี้อย่างนี้อ่า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 ที่เราจะทำสิ่งไหนก็ตามบูชาพระคุณหลวงตาต้องเป็นเงินบริสุทธิ์เท่านั้นจะเป็นเงินได้มาโดยไม่บริสุทธิ์อายวจะมุกทุกอย่างขายยาบ่วงยาบ้าย า, า้าคัญชา ย, ยาฝิ่นเฮโรอีนอะไรก็ตามเราจะมารับมาม์มเพื่อถวายสร้างเกียรพิพิธภัณฑ์ของหลวงตานั้น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 ทำให้วัดวาศาสนาจนให้พวกเราเดือดร้อนอทําให้อืกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาเดือดร้อนพวกเราท่านทั้งหลายจะนับถือว่าจะเป็นนับถือเพราะว่ า, วาหลวงพ่อเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำํำพวกเราจะเชื่อถือจติตปัญญาของหลวงพ่อได้อย่างไรถ้าหากว่าอหลวงพ่อไม่คิดให้ดีสีกก่าอนอจนทําให้พวก ลูกศิษย์ลูกหาเถือดร้อนวุ่นวายไปหมดสิ่งเหล่านี้ผมพูด้ได้เพราะนั้นผมขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาต้องอยู่ในวัดของพวกเราให้อยู่ในอยู่สรุปแก็คือให้อยู่ในหลักธรรมพไไี่นผมได้มาด้วยมาโดยทำรรได้มาโดยทำรร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 เหลือเฟือไปหมดนทั้งที่คราวาสญาติโยงเขาไม่ทำอย่างนี้แต่ตัวเองพวกเราท่านทั้งหลายทำนจนคราวาสเขายอมรับไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่น่าจะถูกต้องเหมือนกันเกินฐานะของเราพวกเราที่เป็นพระสงฆ์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นผมนานๆผมจะได้พูดให้หมู่กเพกืพ่อนได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษาต่อไปภายภาคหน้าพวกเราท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ใหญ่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 ผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายทาั้งมวลไม่เดือดร้อนเป็นไปได้ตามหลักก็ทาไม่ไหนตามศีลธรรมตามจริยธรรมที่ดีนะการพูดและการแม่แนววันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุตถิอตอนนี้ไปนั่งสมาธิจั ก, จกช่วงระยะหนึ่งนะพวกเราจึงคอยแยกแย้ายกันกลับนะ